คือภาษาเราเรียกง่ายๆว่าไปตามแฟชั่นนะเอ๊ะตอนนี้อะไรฮิตที่สุดนะตอนเนี้ยเออน้ำรูดยอเอาน้ำรูดยอฮิตที่สุดเราก็อ่องกินกับเขาเขาว่ามีประโยชน์มากเราก็กินกับเขานะเราก็ว่าประโยชน์มากตามเขาแต่ไม่เคยสำรวจเลยนะกินไปแล้วเป็นยังไงกินไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกเนื้อแข็งขึง้นกว่าเดิมนะหรือว่ากินไปแล้ว แหมมีเลี้ยวมีแรงเยอะขึ้นอะไรคือไม่ไม่เคยไปสํารวจตัวเองนะแต่ไปตามอุปทานที่ที่เขาบอกบอกมาเท่านั้นแหละเขาบอกว่ากินลูกยอแล้วไอ้กินน้ําลูกยอแล้วนะจะอะไรบ้างอ่ะสรรพคุณเนี่ย ซ, ซ่อมเซลลแหมไอ้ซ่อมเซลลนี่เราไม่รู้มันเป็นยังไงเอาไ อ, อ้ที่มันง่ายกว่า น, นี้หน่อยสิประโยชนอ์อะนอกจากซ่อมเซลลแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมโอ้โอ้โห อ, อาจมาเคยได้ยินเขาสรรพคุณต้องเยอะ วันนั้นเขาอาอมาให้มาดูมาจำไม่ไม่ได้จาเลยอ่ะโอ้โ ห, โโหเขาบอกสรรพคุณเยอะเลยฮะจนกระทั่งมันฮือฮามากเลยนะตอนเนี้ลูกยนนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะทั้งเป็นผลขายกันสดๆทั้งขายเป็นอะไรอะ่ะผลิตภัณฑ์ทั้งขายเป็นน้ำลูกยอโอ้โหขายระเบิดเลยตอนเนี้ย เมอสรรพคุณมันแหมคนก็โอ้โหเกิดอุปทานเนี่ย <c oughs> นะคืออันนี้อาจมาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีคุณภาพจริงนะคือต่อให้เขามีคุณภาพจริงๆแต่หมายถึงว่าเราไปอ่านเราอะไร เ, เ, เราไปตามโฆษณาไงไปตามสรรพคุณที่เขาเขียนไว้ที่สลากโดยที่บางทีบางคนกินไปแล้วมันมันก็ไม่จะเป็นอย่างนั้นหรอกนะแต่คนนี้ก็ไปตามนั้นเนี่ยคือไม่ได้สํำรวจตัวเอง เพราะเมื่อไม่สํารวจจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ไม่รู้คุณของลูกยอรจริงๆว่าว่าลูกยอมันมีคุณยังไงจริงๆนะมันก็กินไปตามเขาเท่านั้นเองสุขภาพก็อาจจะดีขึ้นแต่ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอคราวหน้าเนี่ยถ้าลูกลูกยอตกหุ้นหุ้นตกนะหุ้นใหม่มาที่แรงวันนี้ดีกว่านี้กูก็เปลี่ยนกินอย่างอื่นอีกอ่ะอย่างอื่นซ่อมซ่อมเซลล์ได้ดีกว่านี้ละตอนนี้ มันก็ยังยีบไปเรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้จริงๆสิกินแล้วเออมันดีจริงมันมีผลจริงก็ต้องให้เห็นจริงๆด้วยตัวของเราเองไม่ใช่โดยคนอื่นบอกหรือไม่ใช่ไปอ่านมาจากที่ไหนแต่ต้องเป็นเราเองกินเองสัมผัสเอ ง, เองนะตรวจสอบเองบางทีเนะ่ยบันทึกเลยโอ้โหกินไปแล้ววันนี้ปรากฏว่าโอ้โหตัวเบาหนะ้าหัวสมองแหลนปุ๊บปาร์ปุ๊บปารเลยนะรู้สึกแหม ใครถามอะไรนี่โอ้โหตอบได้กล้องแควอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลองบันทึกดูแล้วโอ้โหแหมอย่างนี้คนอื่นเผื่อคนอื่นเขาจะได้นะไอ้เผื่อไม่ใช่เผื่อจะได้ให้น้อยกินมั่งนะอาจจะได้โอ้โหเร็วเร็วขึ้นกว่า น, นี้หน่อยนะจะได้ไม่ช้าเกินไปออันนั้นเป็นหกข้อนะเนี่ยปรากฏว่าบรรลุธรรมแล้วก็มีอภิญญาหกพร้อมด้วยมีปฏิสัมพิทาสี่นะปฏิสัมพิทานี่หมายถึงว่า มีความรู้ความแตกฉาน4อย่างนะสด้านนั่นเองคืออัฏฐปฏิสัมพิทาก็คือแตกฉานในเรื่องของเนื้อหาสาระอะรงต่างเนี่ยธรรมปฏิสัมพิทาก็คือแตกฉานในเรื่องของธรรมะนิรุตติปฏิสัมพิทาคือแตกฉานในเรื่องของภาษานิรุตติสี่ก็คือปฏิพานปฏิสัมพิทาคือมีความรู้แตกฉานในเรื่องของไหวพริบปฏิพานนั่นเอง วัยคล่องค่องแคล่วอะไรพวกนี้ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งแล้วปรากฏว่าแม้รู้สึกบรรลุง่ายจังเลยนะอาตมาอ่านบรรลุง่ายทีไรก็รู้สึกเอ๊ะทำไมนะคือ <c ười> มันต้องนึกมาย้อนถึงตัวเราเองทุกทีว่าเอ๊ะเมื่อไหรพวกเราจะบรรลุทุกที อยู่มาวันหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเคยมีความไม่พอใจในพระเถระรูปนี้ดังนั้นขณะที่พระเถระกาลังเดินบินทบาทอยู่ในพระนคร น, นั้นเองพอดีพราหมณ์นั้นได้พบเห็นพระเถระก็ตรงเข้าไปหาทันทีพร้อมกับชี้หน้าดา่าโอ้โหคือไม่ชอบใจมาก่อนนี่เจอพระเถระเดินบินทบาทมาอยู่เนี่ยเห็นก็ใส่เลยพูดง่าย ชี้หน้าด่าด้วยเสียงอันดังแต่พระเถระก็นิ่งเฉยเสียไม่ได้โต้อตอบแต่ประการใดยังคงเดินบิธาบาตอยู่ด้วยอาการอันสงบแสดงว่าเป็นไงระดับระดับอรหันต์แล้วอ่ะแหมไม่ใช่ด่าแล้วก็เต้นผางง่ายๆนี่อันนั้นระดับปุถุชนระดับอรหันต์แล้วไม่สะเทือนหรอกไม่หวั่นไหว แต่พรามพี่ได้ลดล้ยังคนเดินตามดา่าโอ้โหเอาลถิตีคนนี้นะดูที่จะหนังเหนียวขนาดไหนนะเดินตามด่าว่าอยู่แล้วแล้วเราเาไม่ยอมหยุดปากสร้างความแตกตื่นแก่ชาวบ้านชาวเมืองเป็นอันมากบางคนเห็นีเหตุการณ์แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ต้องเอ่ยปากออกไปว่าทําไมพระเถระนี้จึงไม่โกรธไม่กล่าวโต้อตอบอะไรออกไปบ้างเลยคือ ชาวบ้านเช็สงสัยแล้วเ อ, เอ้าเอ็นนี่ก็เดินไปเรื่อยๆนะพระรูปนี้เสียมส่วนพรามณ์นี่ก็เดินตามด่าอยู่นั่นเนี่ยเอ๊ะถ้าไม่ผิดอะไรก็น่าที่จะอธิบายหน่อยสิทาไมไม่อธิบายอะไรเลยอะ<ม>เดินให้เขาด่าอยู่ได้นะสงสัยเมื่อหลายคนพูดอยู่เช่นนั้นคือหลายคือคนก็คงมามุงมาดูกันเนี่ยเยอะเลยสิคราวนี้พระพรหมทัตตาเทระจึงหยุดเดิน แล้วก็ให้คำตอบแก่คนทั้งหลายว่าคือไม่ได้พูดกับพรามเลยนะแต่คุยกับคนที่เขาสงสัยแล้วเขาก็มามาถามสำหรับผู้ที่หมดความโกรธแล้วผู้ฝึกตนดีแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยถูกต้องผู้สงบผู้คงที่แล้วความโกรธจะมีมาแต่ที่ไหนเล่านี่คือคำตอบอย่างแรกเลย นะสงสัยว่าทําไมไม่โต้อตอบคําตอบนี้คําตอบเดียวแทบคุมหมดแล้วนะบอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้สงบแล้วฝึกมาดีแล้วผูดง่ายกําลังจะบอกว่าเนี่ยอัลลาหันแล้วอ่ะ <c> อ <oughs> ย่างแต่ว่าไม่ได้บอกอัลลาหันโดยตรงเธอเองบอกว่าเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้คงที่แล้วจะไป ม, มีความโกรธที่ไหนได้นะหาไม่ได้หรอกความโกรธนี่ไม่มีในบุคคลนั้นแน่นอน หากบุคคลใดโกรธต่อผู้โกรธอยู่ถือว่าเป็นคนเลวยิ่งกว่าผู้โกรธนั้นแต่ถ้าบุคคลใดไม่โกรธต่อผู้ที่โกรธอยู่ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากนะนี่เป็นคำที่ผู้เจ้าท่านตรัสสอนแกภิกษุทั้งหลายนะภิกษุก็เนี่ยเอามาประพฤติเอามากระทาอยู่เสมอวันท้าใครเนี่ยบรรลุจริงทาถึงจริงแล้ว ไม่โกรธตอบหรอกคนที่เขาม า, ม า, ม, ามาด่าเราเงี้ยมาโกรธเรานั่นเองหรือไม่ไม่ไม่ด่าเราก็ได้นะแต่คนอื่นเนี่ยมาทำอาการมาทำทีท่าหรือเราได้ยินได้ได้ฟังมามีคนเขามาบอกว่าโอนั่นะคนนั้นเขาโกรธเรานะแม้เราได้ยินได้ฟังมาเงี้ยว่าเนี่ยมีคนบางโกรธแล้วนะแต่เราก็ไม่ไม่ไปโกรธตอบเขาเนี่ยอันนี้ต้องฝึกเลยต้องพยายามบุคคลใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว มีสติสงบมีสติสงบใจได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและผู้อื่นแต่คนคนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญผิดไปว่าบุคคลผู้รักษาประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นคนโงเ่เขลาคือส่วนใหญ่ถ้ามีคนมาดา่าด า, ด า, ด า, ดานะหรือว่ามีคนมาว่ามาอะไรต่ออะไรเนี่ย นะถ้าเห็นอีกคนหนึ่งจ้องจองเฉยเฉ ย, เ ง, ยเงียบเงนะีคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าอันนี้มันโง่หรือถ้าไม่โง่มันก็บ้าปล่อยให้เขาด่าอยู่ได้นั่นแหละนั่นแหละคนทั่วทั่วไปไมักจะคิดอย่างนี้แต่ตรงข้ามเลยถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติมาดีแล้วหรือว่ารู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงแล้วกลับจะเห็นเลยว่าเออคนนี้มีขันติบารมี มีความอดทนอดกลั้นนะเขามาดา่าเขามาว่าอะไรแล้วก็ยังเออสงบใจอยู่ได้นี่สิถึงจะยอดเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากออแล้วก็เนี่ยแหละคนอย่างนี้แหละแสดงว่าช่วยคนที่เขาด่าอยู่นั่นแหละนี่กาลังช่วยอยู่นะเพราะว่าถ้าเรายิ่งพูดกลับไปหรือเรายิ่งโต้กลับไปเป็นไงเขารดอยู่อะ โอ้โหเหมือนเอาน้ำมันใส่กองไฟเลยเขาจะยิ่งผุดพับผับพุพับเลยคราวนี้แหะไฟยิ่งลุกฮือเลยละ่ะเพาเวลาคนโกรธเนี่ยต้องให้รู้สถานการณ์ว่าควรทำไงห า, หาน้ำก็พูดให้มันครบๆเลยน้าอะไรอะน้ำอะไร ผู้ใหญ่คบน้ามันมีตั้งหลายชนิดอน้ําฝนน้ามันน้าแข็งอน้ําโครนโอยเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้อันนี้ว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่ไปโกรธตอบแล้วก็สงบระงับได้เนี่ยช่วยคนนั้นไว้ด้วยแล้วก็ช่วยตัวเราไว้ด้วยเพราะถ้าเราเองเนี่ยเราไปโต้เถียงด้วยเราไปอะไรด้วยเนี่ย มัมีแต่เราจะยิ่งขึ้นเหมือนกันเมื่อเพอพอจะระ ง, งับได้เลยระ ง, งับไม่อยู่เลยตอนนี้เพราะว่าโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาเนี่ยมันเหมือนกับยิ่งสา์น้ํามันเข้ากองไฟยิ่งลุกมากเพราะนั้นอันที่ต้องระวังยิ่งถ้าบางทีเรารู้แล้วว่าเขาด่าแล้วเราจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเป็นไงไฟกําลังจะลุกละไฟกำลังจะลุก ล, ไกละลกลไฟโทสะเนี่ยนะกําลังจะติดแล้วกำลังจะติดแล้ ว, ลลวทําไงทําไง เออมันจะไม่ไหวอยู okay. <gran> ่แล okay. <c oughs> <c oughs> ้วเนี <c oughs> ่ยต้องมีตาทิฟต้องมีหูทิฟแล้วเป็นไงคราวนี้เพนเลยเพนเลยเพนก่อนละนะเออเขาไม่เรียกวันหนีหรอกเพราะเนี่ยแหละคนไม่เข้าใจคํานี้จริงๆคนคนไม่รู้คนปุถุชนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าถ้าถ้าหลบอย่างนี้ออกมาหรือว่าเพนอย่างนี้ออกมาเนี่ยถือว่าอะไรเออถือว่าแพ้ ถือว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่มันขี้กลัวเนี่ยไม่กล้านี่นะปุถุชนจะคิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่ถ้าเป็นอริยชนเอาคนที่ประเสริฐแล้วคนที่รู้สัจจะรู้ความเป็นจริงแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเรากําลังจะโกรธเนี่ยเรากาลังจะขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าขึ้นแล้วจะเป็นยังไงขึ้นแล้วเป็นยังไงถ้าเขาด่าเรามาเงี้ยเราจะ<ด>าเราจะด่ากลับแหะค่ะสนี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆเรากลัวหรือว่าไม่กลัว เราไม่กลัวนะจริงๆนะเนี่ยเราเนี่ยจะเล่นเขาละตอนนี้กำลังจะเล่นเขาแล้ะจะไม่จะเล่นงานเขาเพราะเนี่ยมันจะเห็นกิเลสว่าตอนนี้กําลังจะเล่นงานเขาแล้วนะเผลอๆมีอะไรใกล้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทุ่มหัวเเออพราะคนเงี่ยมองเห็นกิเลสตัวเองชัดว่ากิเลสของเราเนี่ยกิเลสโทสะมันขึ้นแล้วมันจะเล่นงานเขาแล้วเพราะนั้นคนที่ หลบมาได้ถอยมาได้นี่แสดงว่าเอาชนะกิเลสตัวเองได้เพราะว่าตอนนี้กิเลสมันกำลังจะไม่ยอมแล้วมันกำลังจะเล่นงานเขาวันเนี้ยถ้าเราบังคับจิตบังคับใจได้ให้เฮ้ยไม่ให้มันน่อยถอยถอยถอยถอยเขาจะว่าแพ้ก็เอาเขาจะว่าไอ์นาโตเมียเอานะก็เอามาบังคับใจตัวเองเลยฝื้นถอยออกมาหลบออกมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้ว จะตันเขาแน่ๆแล้วเคนนี้นี่คือผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้เพราะะั้นต้องต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสัจธรรมจริงๆถึงจะรู้ว่านี่คือผู้ชนะเพราะถ้าใครไม่เข้าใจอันนี้เนี่ยแม่มันไม่ถอยแน่นอนแหละเพราะเสียชื่อหมดแม่ชื่ออุตสาสมมา ด, ดีๆว่าฉันด่าเก่งฉันไม่เคยแพ้ใครแม่เสียชื่อเราหมดเลยอย่างนี้ นะเดี๋ยวตกไปเป็นอันดับสองไม่ได้หรอกต้องครองแชมป์อันดับหนึ่งคือดาไม่ถอยอ ย, อย่างนี้ไม่ใช่ละนี้มันบิดาจิฐินะัอันนี้ต้องชัดเจนนะอันนี้ก็เนี่ยเพราะทําทอย่างนี้แล้วมันถึงจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวเขานี้ท่านก็ บ, บุตรต่อว่าฉะนั้นคราใดถ้าความโกรธเกิดขึ้นจงเราลึกถึงพระโอวาทของพระาศาสดาที่อุปมาด้วยเลื่อยนะัเลื่อยเื่ยเนี่ย คือแม้จะมีพวกโจรประพฤติต่ำช้าเอาเลื่อยมีจับทั้งสองข้างมีมือจับทั้งสองข้างมาเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยอยู่หากผู้นั้นมีใจคิดร้ายต่อโจรเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่ทำตามคำสั่งสอนของเราหมายถึงของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ระลึกเลยถ้าเราจะโกรธขึ้นมาเนี่ยให้รีบระลึกระลึก เราตื้อถึงคําที่ผู้เจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้นั่นเนี่ยต่อให้แม้โจนเนี่ยนะมันมาทําร้ายเราเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยิ่งก็ดา่างนั้นเนี่ยโอ้โหจะเรื่อยเราให้ขาดเป็นสองท่อนเนี่ยนะเรื่อยไม่ไม่ไอ้นั่นมาก่อนซะด้วยนะไม่รับมาให้คมคมซะด้วยนะเรื่อยถือ่อๆมาเรื่อยเราอีกเนี่ยโอ้โหเราทรมานน่าดูเลยแต่ให้นึกถึงเลยว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ของผู้เเจ้าแล้วต้องทนให้ได้ อัตอมาถึงบอกว่าถ้าทนไม่ไหวจริง ก, ก็เรี่ยงออกมาหลบออกมาซะนะแต่ในที่นี้พระเจ้าท่านบอกต้องทนให้ได้เลยนะอย่าไปโกรธอย่าไปคิดทําร้ายโจรท่านเอาอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าโกรธเกิดขึ้นพยายามให้เราลึกถึงในอย่างแรกที่ท่านให้เราลึกถึงนะดูนะข้อที่หนึ่งให้ลึกถึงเรื่อยที่มาเรื่อยใส่เราเราจะต้องอดทนให้ได้หรือหากคลาใดถ้าตันหาในรถเกิดขึ้น อ่าแลก้กี้กิเลสโทสะทีนี้มาละท่านมากิเลสตัณหาในรถเกิดขึ้นรสชาตินั่นเองจงระลึกถึงพระโอวาทของพระาศาสดาที่อุปมาด้วยเนื้อบุตรคือนะ ก, ก็ยกคําตัดของพระพุทธเจ้ามาว่าสามีภรรยาจําต้องเคี้ยวกินเนื้อบุตรน้อยผู้น่ารักไม่ใช่เพื่อความอยากในรถแต่เพื่อ ไม่ใช่เพื่อความอยากในรถหรือเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อตกแต่งประดับประดาร่างกายแต่กินเพื่อมีชีวิตเดิมข้ามทางอันกันดารไปได้ไม่พินาศ ด, ด้วยกันทั้งหมดอันนี้ถ้าเราจำได้น่าจะอยู่ในสูตรสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับอาหาร4นะมีกรกระริงกระดาหาร ผัสสาหารมโนสันเจตนาหารบิญญาณาหารนะในพระสูตรเนี้ยพูะเจ้าจะตัดถึงเนียถ้าติดใจในในรสชาติของอาหารการกินอะไรต่างให้นึกถึงเหมือนกับเรากำลังจะต้องกินเนื้อของลูกของตัวเองถ้าถ้าในที่นี้เนื้อเรื่องเนียจะเปรียบสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องเดินทางผ่านทางธุระกันดานเสร็จปรากฏว่าอาหารการกินเนียหมดนะไปกันสามคน มีพ่อแม่แล้วก็ลูกน้อยนะพ่อแม่เนี่ยยังไงคิดว่าควรจะให้มีคนรอดตายจากไ อ, ไอทะเลทรายนี้เอาพูดง่าทะเลทรายนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ายอมฆ่าลูกตัวเองทำไมไม่ฆ่าผู้ใหญเออ่เพราะยังไงเด็กก็ไปไม่รอดแน่นะเพราะอ่อนแอที่สุดไม่สามารถที่จะอดทนไปได้ข้ามอยู่แล้ว มันก็เลยต้องยอมสละลูกตัวเองทั้งทั้ที่รักลูกตัวเองนะยอมที่จะฆ่าลูกของตัวเองด้วยความอะไรละทมขมขื่นนะแต่ค่าเพื่อที่จะนะกินกินเนื้อเนี่ยอาศัยเดินทางจนผ่านข้ามพ้นทะเลทรายนี้ไปได้เนี่ยพู้เจ้าท่านเปรียบเรื่องนี้ให้ฟังเพราะนั้นเวลาเราจะกินอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหนะ ให้นึกเลยเหมือนกับโอ้โหกิ น, น่พิจารณาพิจารณาว่ากำลังเหมือนกับกินเนื้อบุตรของตัวเองไหมหมายถึงว่าจำใจต้องกินจำเป็นต้องกินไม่ใช่กินเพราะความอยากไม่ใช่เพราะกินเพราะแหมเพื่อจะตกแต่งประดับประดาร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อความสวยงามเพื่ออะไรไม่ใช่กินเพราะมันจำเป็นต้องกินเพื่อที่จะพ้นห่วงทุกนี้ไปให้ได้ ร้อเวลาเรากินอาหารเนี่ยให้พิจารณาแบบนี้กินเพื่ออยูออ่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะกินเพื่อให้อยู่ให้ได้เนี่ยแหละเนี่ยเป็นข้อที่ท่านให้พิจารณาสุดท้ายท่านก็ บ, บอกว่าหรือหากคลาใดจิตเล่นไปในกามและพบทั้งหลายจงรีบข่มใจไว้ด้วยสติแล้วลึกถึงพระโอวาทของพระาศาสดาที่อุปมาด้วยการห้ามโคดือ้อที่ชอบกินข้าวกล้า คือเมื่อโคลงกินข้าวกล้าเจ้าของพึงจับโคสนสะพายสนสะพายคือเอามามามัดร้อยเข้าจมูกนะแล้วตีก็นําด้วยท่อนไม้จากนั้นจึงปล่อยไปหากโคนั้นลงกินข้าวกล้าอีกคือปล่อยไปเสร็จมันมาลงกินอีกแม้ครั้งที่สองครั้งที่3กี่ครั้งก็ตามเจ้าของก็จะจับโคมาสนสะพายตีก็นําด้วยท่อนไม้อีกแล้วปล่อยไป ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมันดือ้อจะมาลงมากินก็เอาสนตะภายตีอีกนะจนกระทั่งโคไม่กล้าลงกินข้าวกล้าในนานั้นอีกเลยเพราะระลึกถึงการถูกตีด้วยไม้ได้ฉันใดจิตที่ข่มไว้ดีแล้วในสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมดำรงอยู่สงบนิ่งในภายในมีธรรมะ มันเป็นเอกผุดขึ้นตั้งมั่นได้ฉันนั้นเหมือนกันนะอันนี้นี่ท่านเปรียบเอาไว้นะพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับโคดือ้อโคดื้อก็คืออะไรคือกิเลสของเรานั่นเองมันดือ้อมันยังอยากจะทำตามใจกิเลสของเราอยู่มันดือ้อแต่ทุกครั้งที่มันดือ้อนะมันอยากจะทำตามใจเนี่ยสนสะพายเลยจับมันไว้นะบังคับมัน นะอย่ายอมตามมันนะถือว่ามันมันกำลังพาไปแล้วพาไปแล้วเอายิบยิบยิบนะมันพาไปแล้วมันบอกยิบยิบสาลาเป้ามาสองใบนะพอเราเราชอบเราติดเราอร่อยอย่างเงี้ยเอ้าอ๋อมันมันพาไปแล้วไอ้โคดื้อมันพาไปแล้วนะอ่าแต่ยิบเป็นไงสนสะพายรีบเอาเชือกมามัดมือไว้มัดมือไว้นะอย่าให้มันไปอย่างเงี้ย นะก็คืออะไรพยายามบังคับมือกลับมาอย่าให้มือไปหยิบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันดือ้อหัดตีมือตีมืออย่าไปหยิบอ่อย่างเงี้ยทุกครั้งนะบังคับอย่างเงี้ยพยายามทําไปจนกว่าในที่สุดเนี่ยมันต้องยอมแพ้กิเลสมต้องยอมแพ้เราจนได้นะขอให้ทําจริงเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยในที่สุดแล้วนะพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกว่านั่นแหละถ้าทําจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะ บ, บังคับจิตเหล่านี้ให้มันนิ่งให้มันสงบได้ในที่สุดเมื่อประกาศทำอันเบเสิรนี้แล้วพระเถระก็เดินบินถบาตต่อไปด้วยอาการอันสงบไม่ได้ใส่ใจสนใจพราหมณ์คนนั้นเลยพราหมณ์คนนั้นอาจจะยังด่าอยู่ก็ได้นะแต่ท่านไม่ได้ใส่ใจเลยด่าได้ก็ด่าไปนะนี่นี่ที่ท่านพูดอยู่นี่ท่านพูดกับใครพูดกับคนที่เขาสงสัยและเขามาถามเท่านั้นเอง กระทั่เดินกรทั่งไปเรื่อยจนกลับวัดเนี่ยเนี่ีแรงด่าได้ก็ด่าไปเลยก็จริงๆแล้วนะอด่าเหนื่อยหรือด่าแล้วคอแห้งแล้วก็หยุดไปเองไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราเองเนี่ยนั่นเราเข้าใจประเด็นพวกนี้ได้ในเรื่องนี้นี่บอกหลายเรื่องนะบอกหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องกามไม่ใช่แค่เรื่องโกรธไม่ใช่แค่เรื่องกินหรือไม่ใช่แค่เรื่อง กิเลสตัวนั้นตัวนี้แต่บอกในหลายๆกิเลสหลายๆตัวแต่ที่ที่เน้นเด่นที่สุดคือกิเลสตัวเออตัวโทสะหรือตัวโกรธเพราะว่าตัวโกรธเนี่ยเป็นตัวที่หยาบเป็นตัวที่รุนแรงเป็นตัวที่ทําลายวันถ้าใครยังมีตัวนี้อยู่เนี่ยรีบแก้จริงเราอาจจะไม่ได้โกรธร้ายแรงอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ต้องจับให้ได้ว่า๊ยังมีอยู่นะ พวกเราทุกวันนี้มันไม่โกรธแรงถึงขั้นแบบไอ้ไอ้อะไรอะติดติดไอ้แก๊สอะพึบโอโ้โหลุกพึบเลยอะไรเงี้ย น, นะแบบชนี้ที่ว่าทันทีทันใดอะพวกเราถ้าปฏิบัติทำมาบ้างแล้วเนี่ยมันไม่อย่างนั้นหรอกเราส่วนใหญ่เราจะจับได้แต่สังเกตดูสิมันจะแบบว่าเหมือนกับไฟลี ล, ลีนะเหมือนกับไฟลีลีนะแต่แม ไม่ยอมปิดแก้สักทีมันก็ติดอยู่เรื่อยนะติดอยู่เรื่อยนะพวกเราเนี่ยเลยเลยส่วนใหญ่จะแบบบางทีหงุดหงิดลำคาญหงุดหงิดลำคาญอย่างนั้นหงุดหงิดลำคาญอย่างนี้แต่ถ้าคุณปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆอ้าวปล่อยไปเรื่อยๆนี่คือปล่อยตามใจมันนะพอเวลาเราหงุดหงิดลำคาญแล้วก็คิดใหญ่เลยนะมันจิตมันต้องมาก่อนคิดเลยคิดยังไงคราวนี้ พอหนูยีดลำคานเริ่มคิดยังไงก่อนส่วนใหญ่สมมุติเอาอาการร้อนอ่ะเริ่มคิดยังไงเนี่ยอากาศร้อนอยังเลยก็ทํางานอยู่อะ่ะมาโหากร้อนอยังเลยเริ่มคิดยังไงละน่าจะมีแอร์ตัวเครื่องหรือ ย, ยังไงอีกเอา้าในร้อนๆพวกคุณไม่เคยคิดอะไรเลยเหรอเอา้าเอา้าอาจจะหาพัดลม มันจะอาบน้าคือมันก็คิดวิธีแก้นะวิธีแก้แต่ว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยมันบางทีมันคิดไปยังไงลนะโอ้โหปรุงฟุ้งอยู่เลยนะโอ้โหอยากจะกินน้ำแข็งเยน็ยนๆแม้ใส่หน้ามาเอาเราเริ่มเลยนะเริ่มไอ้ที่จะปรุงปรุงถ้าความคิดอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยพอตอนตอนนี้รู้สึกร้อนก็คิดอย่างนี้อ่าสมบูรนะโอ้โหอยากได้อะไรนะ น้ำส้มเย็นๆนะมีน้ำแข็งมาสักแก้วอ่าเดี๋ยวพอทำงานทำการไปอ่ะก็อาจจะไปคิดเรื่องงานบ้างนหะแต่เดี๋ยวแวะเข้ามาแล้วโอ้โหร้อนรอนเอานึกถึงน้ำแข็งใหม่อีกแล้วแก้วที่สองนะน่ะคราวนี้ไอ้แก้วแรกเลยที่ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แก้วที่สองแก้วที่สองมาอีกแล้วอ่าสองแก้วแล้วนะคราวนี้อ่าเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วนั้นนี่นี่ยังทนได้นะอแต่ว่ามันเกิดในความคิดไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำทำทําไปอ่ะเอาอีกแล้ว ใหม่ละแก้วศิษยาใหม่ละอย่างเงี้ยพอแก้วมันชักเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะชักหลายแก้วเขาหลายแก้วเขาหลายแก้วเขาคราวนี้มันไม่ใช่แก้วแล้วนะเพราะมันเทรวมกันเป็นมันเป็นอ่างนะนะมันเป็นอ่างน้ำแข็งนะคราวนี้คราวนี้แหละคุณถ้ามันมากพอไปสังเกตดูคราวนี้มันไม่อยู่ในความคิดแล้วมันเริ่มหลุดออกมาด้วยคำพูดแล้วโอ้โหถ้ามี น้ำแข็งเย็นๆชักแก้ววางกินก็ดีน ะ, เ, ะเริ่มพูดฝากลมฝากดินฝากฟ้าไปแล้วนะเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผื่อใครจะยินเดี๋ยวอาจจะเอามาให้หรือถ้าไม่มีขะเอามาให้จะเริ่มยังไงล่ะที่ไหนจะมีมันเริ่มแล้วที่ไหนจะมีที่ที่จะไปหามาได้เอาแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยถึงบอกว่า ตามจิตไม่ทันนะไม่มีตาที่ไม่มีหูทิพนะเราไม่สามารถที่จะจับมาได้ทันแล้วก็มีบุพเพนิวาสานุสติญาณจับให้ทานนันะ้นมันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวในที่สุดจากมโนกรรมก็จะมาขึ้นเป็นวจีกรรมจากวจีกรรมเดี๋ยวเธอก็มาเป็นกายกรรมคุณหนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวกิเลสมันเอาคุณจนอยู่หมัดเนะี่ยนั้นในที่สุดก็ต้องไปกินตามนั้น รับรองเลยต้องไปกินตามนั้นไออัตมายกไอน้ำแข็งนี่มันก็ยังง่ายนะออแต่ว่าพวกเราเนี่ยมันยังมันยังหาไม่ง่ายไอมีปะที่ควร ม, มีน้ำแข็งปะน้ำแข็งไอที่เราจะกินได้ง่ายง่ายนะไม่มีนะอ๋ชอชมรออาจจะมีเห็นบางคนเนี่ยชอบหยิบมาอะไร อ, อม เคียวกุกกกุกกุกกน้ำแข็งนะนะน้ำแข็งนี่มันไม่เท่าไหร่ระวังนะไกลๆเนี้ยไอซ์ครีมเนี่นะระวังนะอโอ้โหไอซ์ครีมมากี่ถังกี่ถังไม่เคยผิดหวังเลยนะหมดทุกทีหมดก่อนอะไรเลยนะอนตาตมาเห็นไอซ์ครีมเนี่ยนะถ้าไม่แจกขีดหลังนะไอซ์ครีมหมดก่อนอาหารอื่นเพราคนจะรีบมาตักไอซ์รีมกินก่อนเลย กินก่อนกินอาหารอื่นเลยนะยิ่งถ้าเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนกับอดอยากอะไรมาจากไหนไม่รู้นะหรือว่าคิดว่ามาอยู่อโศกเราเหมือนอยู่คุกหรือเปล่า <c oughs> เอาบางคนชอบพูดอย่างนั้นนะว่าเหมือนกับติดคุกคุกหรือเปล่าคุกที่ไหนเราคุกมันต้องมีซี่โครง <c oughs> ใช่ไหมมันต้องมีซี่กครงแล้วก็ขังเอาไว้ที่ไม่ให้ไปไหน อันี่คุณจะไปไหนเมื่อไหร่กูก็ไปได้เรียกว่าคุกได้ยังไงเล่าอิสระอยู่แล้วอ่ะคุณจะทําอะไรก็ทําได้เอเราไม่มีซี่กงงแบบนั้นหรอกแต่เรามีศีลเรามีศีลเป็นอะไรอ่เป็นกรอบหรือว่าเป็นซี่กงงที่จะกักขังกิเลสไว้ไม่ได้กักขังคุณนะอ่าคุกนี่มันคุกของกิเลสนะไม่ใช่คุกของคุณถ้าจะใช้คําว่าคุกแล้วก็ คุกของกิเลสแต่ไม่ใช่คุกของตัวเราเพราะตัวเราอิสระอยู่แล้วเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ได้มีใครบังคับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าใครคิดอย่างนั้นบ่อยๆบอกว่าโอ้โหเหมือนอยู่คุกเลยเหมือนอยู่คุกเลยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะคิดอย่างนั้นจริงๆอาจมาบอกตรงๆบางคนที่หลุดคําพูดออกมาเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะก็ไม่ได้พูดเล่นเขารู้สึกเหมือนอยู่คุกจริงๆเขารู้สึกเหมือนกับอะไรโอ้โหโดนบีบคั้นโดนบังคับไอ้นู่น วันนี้อาตมาคุยกับพวกที่เขามามาเยี่ยมชมที่สันติอโศกเนี่ยอ่าเบอกทําไมทุกคนที่มาที่สันติอโศกเนี่ยนะทําไมต้องถอดรองเท้าทุกคนเลยด้วย mm hmm. เขารู้สึกเหมือนกันเอ้บังคับกันนะทำไมจะต้องให้ถอดรองเท้าทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่หรอกนะจริงๆเราก็ไม่ได้บังคับแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ควรประพฤติควรกระทํา แล้วก็เป็นการฝึกฝนเพราะเรามาเนี่ยคุณมาถือศีลห้าก็ตามมาถือศีลแปก็ตามเป็นสิ่งที่เรามาเอาเอาอย่างนั้นเองเราต้องการให้ได้มาัึงหากไม่ใช่มาเป็นคุกขังเราเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าใครมาอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้นี่กลายเป็นเครื่องมือทรมานเราโอ้อย่างนี้อยู่ไปก็ทุกข์สีก็จริงๆด้วยอยู่ไปก็เหมือนติดคุก ถ้าอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกถ้าใครเนี่ยยังยังปรับจิตไม่ได้แล้วยังคิดอยู่อย่างนี้รับรองเลยในที่สุดก็จะอยู่วัดไม่ได้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องออกไปข้างนอกก็ไปกินไปเสพไปใช้อะไรตามใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดเรารู้ความเป็นจริงเข้าถึงสัจธรรมได้มันจะคิดกลับตลบปัดกันนะพเจ้าถึงได้ตัดยืนยันว่า คนในโลกเนี่ยจะมองเห็นความสุขเนี่ยเป็นความทุกข์ความสุขที่แท้จริงเนี่ยคนในโลกเนี่ยมองไปมองไปว่าเป็นความทุกข์เหมือนกันเนี่ยมาอยู่วัดหรือว่ามาถือศีปฏิบัติธรรมหรือว่ามาบวชเป็นพระได้โอ้โหทุกฉิบเป๋งเลย <laughs> นะโอ้ไม่อยากเป็นหรอกเนี่ยจะมองเห็นยังงนริงจริงแล้วก็จะมองเห็นความทุกข์นั่นแหละ เป็นความสุขจริงๆแล้วนะ่ะเป็นทุกข์นะแต่เขามองเห็นกลายเป็นความสุขไปนะอย่าไปเล่นกามานันนะโอ้โหได้เที่ยวได้กินสูบดื่มเสพอะไรนะมีการเยอะๆนะโกรธจัดการใครก็ได้จัดการใครได้แล้วก็แหมสะสมใจเป็นความสุขนั่นแหละแต่จริงๆมันเป็นความทุกข์เพราะว่าผูกเวรจองเวรกันนะแล้วก็ต้องติดไอ้กิเลสนั้นไปอีกนะอีกนานไม่รู้กี่ชาติ เพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าใจอันนี้ได้เราจะมองเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์ต้องมองเห็นเป็นสัจจะแล้วเรามองเห็นความสุขเป็นความสุขไม่ใช่ว่าแมมมองเห็นกลับต่ลปัดไปเลยนะคราวนี้ก็เลยเห็นถูกเป็นผิดเห็นขาวเป็นดาเห็นอะไรกลับตาลปัดไปหมดไม่ใช่นะเราไม่กลับต่ลปัดเหมือนคนโลกโลกเขาเห็น แต่เราเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วเราก็แยกแยะได้เรารู้ว่าเอออันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดี น, นี่ชั่วแล้วเราก็เอาดีสิชั่วเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ทําเนี่แหละต้องเห็นอ้นนี้ให้ถูกต้องนะเอา้าวันนี้คิดว่าก็มีแง่มุมที่เราเองฟังทำแล้วเนี่ยลองเอาไปคิดเอาไปทบทวนเอาไปพิจารณาด้วยดลนะ้คิดทบทวนเนี่ยแล้วยิงเอาไปใช้ ในชีวิตประจำวันเราได้แล้วจะจำได้